ทางโค้งร้อยศ บ, บนถนนมรณะสัมผัสสยองระตีเป็นครูสอนอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งโรงเรียนนี้สอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง ถึงปีที่6เป็นโรงเรียนระดับใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ครูรตีเป็นคนจังหวัดน่านแต่แต่งงานกับนายตำรวจและได้ย้ายติดตามสามีมาอยู่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งครูรตีชอบอากาศและภูมิประเทศของจังหวัดเชียงใหม่มากต่อมาสามีของครูรตีได้ย้ายไปเป็นนายตำรวจใหญ่ที่จังหวัดชนบุรีครูรตีไม่ขอย้ายตาม ปักหลักอยู่กับลูกอีกสองคนที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ก็พยายามไปหาสามีที่ชนบุรีบ้างอาชีพครูเป็นอาชีพที่ต้องทุ่มเทเหน็ตเหนื่อยมากทำงานต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเลิกงานบางครั้งก็ต้องหอบกลับมาทำที่บ้านนักเรียนทำการบ้านครูก็ต้องทำการบ้านเหมือนกันในโรงเรียนมีครูทั้งหมดเกือบ200คน แต่ครูรตีมีเพื่อนสนิทไม่กี่คนจะว่าเป็นเพื่อนครูก็คงไม่ใครถูกต้องเพราะเพื่อนของครูรตีส่วนใหญ่ก็จะเป็นครูที่อาวุโสกว่าอายุห่างกันเป็นสิบปีอาชีพครูนี้ดีอยู่อย่างคือมีเวลาพักผ่อนตอนปิดภาคเรียนฤดูร้อนที่ยาวนานเกือบสองเดือนในช่วงเดือนเมษายนจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมถือว่า เป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่ปิดภาคเรียนในช่วงที่มีอากาศร้อนมากๆไม่อย่างนั้นไม่ครูก็นักเรียนคงได้ปรีดแตกตีกันตายไปข้างหนึ่งแล้วปิดเทอมภาคฤดูร้อนปีนี้หลังจากทรงเกรดทรงงานที่ได้รับมอบหมายให้กับทางโรงเรียนแล้วกลุ่มเพื่อนครูก็ลงความเห็นกันว่าน่าจะไปพักผ่อนกันบ้างหลังจากสอนหนังสือหนักมาตลอดปี ทุกคนเห็นดีเห็นงามด้วยช่วยกันเลือกสถานที่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนจนในที่สุดก็ตกลงปลงใจกันว่าไปเที่ยวทะเลกันสถานที่ก็คือจังหวัดชนบุรีไปเที่ยวหาดชะอํและพาครอบครัวของครูรตีไปเยี่ยมสามีที่ย้ายไปเป็นนายตำรวจที่จังหวัดชนบุรีด้วยครูน้ำเพ็ญรับภาษาเป็นคนติดต่อรถตู้โดยสาร ซึ่งเป็นของผู้ปกครองนักเรียนในราคาวัละ1 2 0 0บาทแต่ต้องออกค่าน้ามันเองการท่องเที่ยวครั้งนี้ไปสามวันกับสองคืนครูรตีให้สามีติดต่อหาที่พักก็ได้ที่พักติดชายทะเลสมใจนับคนไปครั้งนี้มีครูรตีกับลูกอีกสองคนครูน้ำเพลและสามีครูต้อยกับลูกอีกสองคนครูมานี ครูสุนันท์และครู อ, อนณภาสามคนหลังนี้ใช้เดี่ยวไม่ได้พาครอบครัวไปด้วยรวมแล้วก็ไปกันทั้งหมด1ิบคนหากรวมคนขับด้วยอีกหนึ่งก็เป็น11ชีวิตคณะครูออกเดินทางหกโมงเช้าของวันศุกร์เพราะทุกคนคิดว่าเดินทางตอนกลางวันปลอดภัยกว่าเนื่องจากมีเด็กไปด้วยสถึงสี่คนอายุเด็กในตอนนั้น คนโตประมาณ13าขวบและคนอายุน้อยสุดประมาณห้าขวบคณะครูท่องเที่ยวในครั้งนี้ขับไปพักไปอยากชมอยากกินที่ไหนก็แวะกว่าจะไปถึงที่พักที่จะอำ่ำก็เป็นเวลามืดพอดีทุกคนก็เข้าทีพ่พักพักผ่อนตามัธยาใสนัดกันว่าพรุ่งนี้จะเดินทางไปเที่ยวตามหมู่เกาะต่างๆ วันรุ่งขึ้นก่อนเวลาส0บโมงเช้าเด็กๆและครอบครัวของครูรตีตื่นแต่เช้าลงไปเล่นน้ำทะเลเมื่อมองดูแววตาของเด็กๆที่เหยียบบนผืนทรายก็รู้ได้ทันทีว่าพามาเที่ยวครั้งนี้ไม่ผิดหวังเพราะใกล้ถึงเวลาส0บโมงแฟนครูรตีก็ขับรถมาพร้อมขนมขบเคี้ยวสำหรับไปเที่ยวเกอะ การเดินทางไปเที่ยวเก่อ น, นั้นต้องนั่งเรือเช่าไปพร้อมกับคณะนักท่องเที่ยวคนอื่นๆพอถึงเกาะเรือก็ทิ้งสมอจอดนิ่งอยู่ใครอยากจะนั่งดื่มตามชายหาดหรืออยากจะเล่นน้ำก็ตามสบายอยากจะดำน้ำดูประกรรังหรือชมปลากรตูนน่ารักน่ารักก็แล้วแต่ทุกคนกลับมาถึงที่พักเวลาประมาณบ่ายสี่โมง เ้าก็ไปพักผ่อนที่ห้องของตนนัดกันว่าตอนเย็นเวลาห้าโมงครึง่งให้ลงมารับประทานอาหารที่ชายหาดหน้าที่พักซึ่งมีร้านค้าอาหารทะเลสดๆที่ซื้อมาจากโปเรือไกลๆอาหารมื้อนั้นสุดอลังการวิเศษเลิศหรูมีปลาหมึกตัวโตๆย่างราดน้ำจิ้มสุดแซ่บปูหนึ่งตามด้วยเมนูปูผัดผงกะหรี่ ต้มยำกุ้งแบบน้ำคนกุ้งเผาและปลาจระเมด ต, ตัวโตๆโตโตทอดกระเทียมมือน้นทุกคนแทบจะไม่ทานข้าวกันเลยแต่ก็มีคนเตือนเหมือนกันว่าอย่าทานของทะเลมากระวังท้องไส้จะเสียแต่ทุกคนก็ไม่สนใจกินกันเต็มที่เพราะนานๆจะเจอของสดๆอย่างนี้พอตอนกลางคืนก็มีการตั้งวงสี่คูนร้อย เล่นกันเพลินๆส่วนเด็กๆก็นั่งอยู่หน้าจอทีวีดูการ์ตูนประมาณเที่ยงคืนก็หลับปุ๋ยกันหมดเพราะพรุ่งนี้เช้าห0โมงจะต้องออกเดินทางกลับเชียงใหม่ขากลับรถก็แวะจอดแทบจะทุกที่ที่มีของขายซื้อของฝากคนโน้นคนนี้กันอย่างสนุกสนานแล้วก็ไปตลาดขายของทะเลขับรถมา สองข้างทางเขาขายอะไรก็แวะซื้อจนของเต็มรถแทบไม่เหลือที่ให้วางเท้าได้เลยจากนั้นก็แวะไหว้พระทีท่พิษนุโลกขับแวะเรื่อยๆจนเข้าจังหวัดตากก็ถึงมื้อเย็นพอดีตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ6โมงเย็นหลังจะรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยเมื่อประมาณเวลาในการเดินทางแล้วจากจังหวัดตากเดินทางมาถึงเชียงใหม่ ก็ใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงได้ถ้าขับรถได้ตามนี้คงถึงบ้านไม่เกินเที่ยงคืนทุกคนดูมีสีหน้ายิ้มแย้มกันอยู่เพราะมีเรื่องคุยกันอีกเยอะถ้าจะขับรถต่อไปจนถึงจังหวัดเชียงรายก็คงมีเรื่องคุยกันไม่จบแต่ทุกอย่างกลับไม่เป็นไปอย่างที่คิดหลังจากทานอาหารเสร็จที่จังหวัดตาเมื่อเข้าห้องน้า และให้คนขับรถพักผ่อนนิดหน่อยทางคณะครูก็เริ่มเดินทางออกจากร้านประมาณหนึ่งทุ่มซึ่งเป็นเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับเหลี่ยมเขาความมืดเริ่มปกคลุมแสงไฟจากบ้านคนวับวับแวมแวมอยู่ไกลๆเสียงในรถเริ่มเงียบลงเป็นเพราะอิ่มหรือวังเวงก็ไม่รู้แต่เด็กๆก็นอนหลับไปได้วยความง่วง พรถวิ่งฝ่าความมืดมาได้ระยะหนึ่งตามข้างทางนั้นมืดสนิทมากมองไม่เห็นแสงไฟจากบ้านคนแล้วไม่มีแม้แต่ไฟที่ข้างถนนเพื่อให้แสงสว่างแสดงว่าตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กลางป่ากลางเขาบนภูขเขาลูกใดลูกหนึ่งขณะที่เดินทางนั้นดูเหมือนจะมีแต่รถของคณะครูแค่คันเดียว ไม่มีรถตามหลังหรือสวนทางมาเลยเพราะขับมาถึงทางโคง้งรถก็มีอาการกระตุกและมีไอ้น้ำพุ่งออกมาจากกระโปรงรถที่ด้านหน้าคนขับรถรีบจอดรถในทันทีลงไปตรวจเช็คสภาพความเรียบร้อยสักพักก็กลับมาด้วยสีหน้าหมดหวังแล้วบอกกับทุกคนในรถว่าหม้อน้ำแห้งจนไหม รถไม่สามารถขับต่อไปได้แล้วทุกคนร้องอุทานด้วยความตกใจแทบจะพร้อมกันจะทำยังไงดีจะนอนกันกลางป่าแบบนี้เหรอครูมานีพูดแล้วเหมือนจะนึกอะไรบางอย่างได้จึงเปิดกระเป๋าพยายามค้นหาโทรศัพท์ของตัวเองครูรตีปลุกเด็กๆให้ตื่นและพาลงมาจากรถคณะครู ยืนเกาะ ก, กลุ่มคุยกันว่าจะแก้ปัญหายังไงดีครูมานียกโทรศัพท์มากดเบอร์โทรหาเพื่อนที่อยู่ในจังหวัด ต, ตาเพื่อจะขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยจากที่มีความหวังในตอนแรกตอนนี้มันกลับมามืดบอดกันอีกครั้งครูสุ น, นันท์ซึ่งเป็นครูที่อาวุโสกว่าเพื่อนก็บอกว่าเราบกรถที่ผ่านไปมา ขอความช่วยเหลือกันดีกว่าครูน้ำเพนอายุน้อยกว่าเพื่อนเลยอาสาว่าจะเป็นคนไปโบกรถเองเธอเดินไปที่ริมถนนคอยโบกรถที่วิ่งผ่านส่วนคนที่เหลือก็กอกลุ่มกันอยู่ข้างรถพอมีรถกระบะผ่านมาครูน้ำเพนก็รีบโบกรถในทันทีแต่รถคันนั้นขับผ่านไปไม่มีทีท่าว่าจะจอดเลย ครูต่อยจึงรีบแปลวไฟฉายที่รถไม้ครูน้ําเพลนเพราะคิดว่าที่ตรงนั้นเป็นทางโคง้งรถที่ผ่านมาคงไม่เห็นถ้าใช้ไฟฉายช่วยก็คงจะดีพอรถอีกคันผ่านมาเป็นรถสิบล้อคันใหญ่ครูน้ําเพลนก็ใช้ไฟฉายโบกเพื่อขอความช่วยเหลือน่าแปลกที่รถสิบล้อก็ไม่จอดเหมือนกัน ครูน้ำเพนโบกรถไปอีกสี่ห้าคันก็ไม่มีใครจอดช่วยเหลือเลยนี่เมืองไทยนะทำไมคนถึงแรงใจอย่างนี้ครูน้ำเพนคิดในใจเมื่อเห็นดังนั้นทุกคนก็เลยออกมาช่วยครูน้ำเพนโบกรถครูมานีพนมมือไหว้ขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาช่วยปกป้องคุ้มครองให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีทันใดนั่นเอง ก็มีรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้าคันหนึ่งขับผ่านมาแล้วก็เบรกยางกระทันหันแต่ก็เลยกลุ่มพวกครูเหล่านั้นไปเกือบสิบเมตรสักพักก็มีคนเปิดประตูลงมาจากรถทุกคนแปลกใจที่คนขับเป็นผู้หญิงซึ่งไม่น่าจะขับรถคนเดียวตอนกลางคืนแบบนี้ขณะนั้นก็เป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มแล้ว เธอก็อ น, นั้นเดินลงมาอย่างรีบร้อนคําพูดแรกที่เธอกล่าวทาั้งทั้งที่พวกครูยังไม่ทันได้ขอความช่วยเหลือเธอพูดว่าให้เด็กๆยืนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นทราบเรื่องรถเสียเธอจึงช่วยโบกรถสิบล้อที่กำลังผ่านมาให้จอดแล้วเดินไปหาคนขับพูดอะไรอยู่ครู่หนึ่งก็เดินกลับมาบอกว่า ให้ผู้ใหญ่ขึ้นสิบล้อเขาจะไปส่งที่เชียงใหม่ส่วนเด็กๆให้ขึ้นรถเก๋งของเธอครูรตีก็เลยได้นั่งรถไปพร้อมกับผู้หญิงคนนั้นเพราะจะต้องดูแลเด็กๆส่วนคนขับรถตู้หญิงสาวคนนั้นบอกว่าข้างหน้ามีป้อมตารวจเดี๋ยวเธอจะแวะ บ, บอกให้ตำรวจมาช่วยและให้คนขับรออยู่ที่รถก่อนจากนั้น ครูรตีและเด็กๆ ก, ก็ขึ้นไปนั่งรถเก๋งของผู้หญิงคนนั้นเธอแนะนำตัวเองว่าชื่อนกเป็นคนเชียงใหม่เหมือนกันมีอาชีพขับรถสิบล้อส่งพักผลไม้จากตลาดเมืองใหม่ไปกรุงเทพขึ้นลงวันละเที่ยวแต่วันนี้หยุดพักหนึ่งวันไปทำธุระที่จังหวัดตาก็เลยมาพบคณะครูอย่างที่เห็นขณะที่นกพูดก็หยิบยามาหนึ่งเม็ด เธอนำมันเข้าปากแล้วก็ดื่มน้ำตามครูรตีคิดว่านกคงจะไม่สบายจึงถามว่ายาอะไรนกตอบว่ายาขยันต้องกินเพื่อไม่ให้ง่วงครูรตีก็เฉยเฉยเพราะเข้าใจว่ากินไปแล้วจะทำให้มีกำลังวังชาแต่ก็กังวลที่เธอและเด็กๆต้องฝากชีวิตไว้กับขี้ยาหรือเปล่านกพูดต่อว่า ที่แวรับเพราะเห็นว่ามีเด็กๆอยู่ด้วยและที่ที่ยืนหยุดตรงนั้นเด็กๆไม่ควรอยู่เพราะตรงนั้นเป็นโค้งอันตรายตายกันหลายศพแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้หญิงคนหนึ่งซื้อรถกระบะใหม่เธอออกรถวันแรกก็อยากจะฉลองจึงพาญาติๆขึ้นเต็มกระบะรถเจ็ถึงแคนพวกเขาก็ขับกันมา พอถึงทางโค้งที่คณะครูยืนอยู่ผู้หญิงคนนั้นได้หักพวงมาลัยหลบรถที่สวนมาอีกทางหนึ่งจึงเป็นเหตุให้รถชนกับเนินดินข้างทางรถพลิกไหลตลกตกลงไปข้างทางคนขับและผู้โดยสารที่มาด้วยตายกันหมดยกคันรถนกบอกว่าไม่อยากให้เด็กๆยืนตรงนั้นเพราะเป็นบริเวณที่มีคนตายหง ดวงวิญญาณยังไม่ไปผุดไปเกิดอาจจะเป็นอันต ร, รายต่อเด็กๆที่มีขวันนอนได้ครูระตีรับฟังอย่างเงียบๆส่วนเด็กๆก็หลับกันแล้วนกเล่าต่อว่าทุกคืนที่ขับรถบนถนนเส้นนี้ก็จะเห็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเห็นรถชนกันเห็นคนตายเธอบอกว่าทุกๆหนึ่งกิโลเมตรของถนนเส้นนี้ จะมีคนตายหงไม่ต่ำกว่าหนึ่งคนบางวันขับรถมาตีหนึ่งตีสองคนเดียวก็เจอสิ่งแปล ก, ปลกไม่ว่าจะเป็นมีหมาดำวิ่งตัดหน้ารถบางทีก็เห็นทางแยกเพิ่มขึ้นมาทาั้งทั้งที่โดยปกติแล้วไม่มีถนนเส้นนั้นบางวันก็เจอคนแก่ยืนอยู่ข้างทางทางั้งทั้งที่เป็นทางเปลี่ยวไม่มีบ้านคนรอบๆก็มีแต่ป่าเขา บางทีก็เห็นคนวิ่งตามรถแล้วกวกักมือร้องเรียกพอจอดดูก็ไม่เห็นมีใครถ้าเป็นคนขวัญอ่อนก็คงขับรถตอนกลางคืนไม่ได้ครูรตีฟังเรื่องที่นกเล่าก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งคิดว่าอาจจะประสาทหลอนด้วยฤทธิ์ยาแต่ยังไงก็นึกขอบคุณนกที่มีน้ำใจช่วยเหลือในวันนั้นเมื่อเวลาผ่านไป เรื่องราวและประสบการณ์ต่างๆก็เป็นเพียงเรื่องที่อยู่ในความทรงจำครูรติไม่ได้เชื่อเรื่องพูดผีวิญญาณสักเท่าไหร่แต่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครูรตีทำให้ครูรตีต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เรื่องนั้นมันเกิดขึ้นเมื่อต้นปีพศส5 5 5หลังจากที่แฟนครูรติได้กเกษียณอายุราชการ จึงกลับมาอยู่บ้านที่เชียงใหม่และมาทำหน้าที่ขับรถรับส่งครูรตีในทุกๆวันวันหนึ่งคุณแม่ของครูรตีโทรศัพท์มาบอกว่าคุณพ่อหกลมต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนด้วยความตกใจเกรงว่าคุณพ่อจะมีอันตรายเรื่องหกลมในผู้สูงอายุเป็นเรื่องใหญ่อาจจะเป็นอามาพาตหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ ครูรตีกับสามีก็เลยรีบเดินทางไปจังหวัดน่านในเช้าวันอาทิตย์ใช้เวลาเดินทางประมาณห้าชั่วโมงพอไปถึงก็เยี่ยมดูอาการคุณพ่อที่โรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าโชคดีอาการไม่เป็นอะไรมากใบ้ใบๆก็กลับบ้านได้แล้วครูรตีก็โล่งอกที่คุณพ่อไม่เป็นอะไรมากตอนแรกเธอตั้งใจว่า จะขอลาหยุดโรงเรียนสักสองวันถ้าหากอาการคุณพ่อยังไม่ดีขึ้นแต่พอมาเห็นแบบนี้แล้วก็หายห่วงแล้วก็นึกถึงงานที่โรงเรียนได้ว่านัดนักเรียนสอบเก็บคะแนนด้วยวงภาคเอาไว้กลัวนักเรียนจะเตรียมตัวเกอ้อก็เลยบอกกับสามีของครูระตีว่าอยากกลับบ้านที่เชียงใหม่พรุ่งนี้จะได้ไปทางานสามีครูรตีก็เห็นด้วย เพราะเป็นห่วงลูกๆเหมือนกันเวลาหกโมงเย็นทั้งสองจึงเดินทางกลับกล่าวว่าถ้าไปถึงบ้านประมาณเที่ยงคืนน่าจะยังพอขับรถไหวสามีครูรตีก็ขับรถมาอย่างช้าๆและระมัดระวังเพราะถนนจากน่านมาถึงเชียงใหม่ต้องผ่านภูเขาหลายลูกบางช่วงก็เป็นทางโคง้งบางช่วงก็มีเหวอยู่ข้างทาง และถนนหนทางมันก็มืดมากเพราะขับมาได้ประมาณ200กว่ากิโลเมตรขณะนั้นก็เป็นเวลาประมาณสี่ทุ้มแล้วถนนเป็นทางผ่านภูเขาค่อนข้างมืดไม่มีบ้านคนเลยสามีของครูรตีก็บอกให้ช่วยดูทางด้วยเพราะตัวเองก็แก่แล้วมองเห็นไม่ค่อยถนัดขณะที่ขับรถไปตามถนนทั้งครูรตีและสามี สังเกตเห็นอะไรบางอย่างเป็นก้อนสีขาวๆใหญ่ประมาณสองคนโอบลอยจากทิวไม้ข้างหน้าแล้วค่อยๆลอยตรงมาตามถนนที่ครูรตีและสามีขับอยู่ทั้งสองคุยกันว่าเป็นโคมลอยหรือเปล่าแต่นี่ก็ไม่ใช่ช่วงเทศกาลปล่อยโคมลอ ย, อยแล้วมันคืออะไรก้อนสีขาวๆลอยต่ำลงต่ำลง หันรถไปเหมือนจะตกกลางถนนทั้งครูรตีและสามีก็หันหลังไปมองด้วยความสงสัยแล้วก้อนสีขาวนั้นก็ตกลงกลางถนนจริงๆพอถึงพื้นถนนจากก้อนสีขาวๆก็กลายร่างเป็นเหมือนพูดผีอสูรกายสองตัวรูปร่างน่ากลัวสุดที่จะบรรยายมันค่อยๆยืนขึ้น แล้วพากันวิ่งตามรถที่ครูรตีนั่งพร้อมทั้งกวักมือคล้ายจะร้องเรียกซึ่งเป็นภาพที่สยดสยองน่าขนลุกเป็นที่สุดครูรตีและสามีจึงหันหน้ากลับมาขณะที่สามีของครูรตีกําลังประคองพวงมาลัยรถด้วยมือที่สั่นเทาจูจ่ๆก็มีแมวสีดำวิ่งตัดหน้ารถอย่างรวดเร็ว สามีครูรตีพอจะมีสติอยู่บ้างคิดว่าถ้าเบรกรถคงจะเสียหลักจึงเหยียบคันเร่งคิดในใจว่าชนเป็นชนแล้วก็เกิดเสียงดังเหมือนรถชนกับอะไรสักอย่าง้อมกับเสียงกรีดร้องอย่างเจ็บปวดและห่วยหวนเสียงนั้นมันคล้ายกับแมวแต่มันไม่ใช่เสียงของแมวอย่างแน่นอน ทั้งสองตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคิดว่าเจอดีเข้าให้แล้วสามีครูรตีจึงค่อยๆจอดรถและเริ่มบทสวดภาวนาอย่างตะกุกตะกักส่วนครูรตีก็คว้าพระพุทธรูปที่แขวนอยู่หน้ารถเข้ามากอดภาวนาตามสามีต่างคนต่างหลับตาปีสักพักเมื่อจิตใจเริ่มสงบลงบ้างแล้วสามีครูรตี ก็ถือไฟฉายลงมาเพื่อสำรวจว่ารถเป็นยังไงบ้างแต่แล้วก็ต้องตกใจกับสิ่งที่เห็นเมื่อไฟฉายได้ส่องไปทางขวาก็เห็นเป็นภูเขาหินปูนตั้งระงานอยู่พอหันไปทางซ้ายก็เป็นเหวลึกก่อนหน้านี้ถ้าสามีครูรตีเหยียบเบรกกระทันหันตอนที่เห็นแมวดำวิ่งตัดหน้ารถรถอาจจะเสียหลักไปชนกับภูเขา หรือไม่ก็คงตกเหี่ยวตายกันทั้งคู่แน่ๆทั้งสองขอบคุณเจ้าป่าเจ้าเขาที่ช่วยให้รอดชีวิตผ่านทางโค้งร้อยศพมาได้ตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่ขับรถผ่านตรงจุดนี้เพื่อกลับไปบ้านที่จังหวัดน่านสามีครูรตีก็จะบีบแต่รถขอบคุณเจ้าป่าเจ้าเขาที่ปกปักรักษาที่นั่นอยู่เสมอ สัมผัสสยอง